อาจารย์ครับการนวัตการครับเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่120แล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูภาพและเสียงพระอาจารย์ชัดมากเลยครับตอนนี้อาจารย์มีความต้องชัดมากเลยอาจารย์ครับเมื่อเช้ามีคนใส่บาตรเยอะไหมครับก็ประมาณ400พอได้400คนครับ เป็นปกติแล้วขอวนอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆรอครับอาจารย์ครับตอนนี้มีเพื่อนๆมารอฟังกันอยู่เกือบเจ็ดร้อยคนนะครับอาจารย์ครับอืวันนี้ขอโอกาสพระอาจารย์อ่แสดงเรื่องทางพ้นทุกข์ให้พวกเราฟังกับพระอาจารย์ครับกราบขอมเมตตาพระอาจารย์ครับคือทางพ้นทุกข์ก็เป็นเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงข้า้งแรกในธรรมจกกักรกบวาตนสูตร แสดงให้กับพระปัญจวัคคีห้ารูปด้วยกันโดยแสดงทางสายกลางคือแสดงว่ามีทางสุดตรงอยู่สองทางที่ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์คือทางแห่งการใช้กลามมสุขมาเป็นเครื่องดับทุกข์เช่นเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ดับได้เพลงชั่วคราว ก็ไม่สามารถดับได้อย่างถาวรและนอกจากนั้นยังกลายเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้เพิ่มขึ้นอีกเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพกามได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายไม่เป็นปกติหรือไม่มีปัจจัยที่จะไปหารูปเสียงกินลดมาเสพแทนที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงกลับเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น อีกทางหนึ่งก็ทางของที่นักบวชเขาใช้กันคือการทรมารร่างกายด้วยวิธีการตา่างๆทําให้ร่างกายเจ็บด้วยเอาของแหลมของคมมาทิ่มมามาเฉือนร่างกายเพื่อให้เกิดความเจ็บเราจะได้ไ ด, ได้ได้พ้นทุกข์ได้คือไม่กลัวเจ็บหรืออะไรทำนองนั้นแในความเจ็บมันก็ความทุกข์ก็ไม่หายไปจากการที่ทรมารร่างกายเพราะมันส่งท่ง ส่งทดลองสองทางมาแล้วทานที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระราชวังก็ใช้ความสุขทางรูปเสียงกิริย์ลดทางอาหารทางบันเทิงอะไรต่างๆมาใช้ดับความทุกข์ก็ดับไม่ได้พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอมาบวดก็ไปศึกษากับกูรูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนวิธี ดับความทุกข์ด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิไปแต่ก็ออกจากสมาธิออกจากฌานมามาเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็เลยต้องไปค้นหาวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ลองผิดลองถูกลองทรมานตนเองด้วยการอทพระกายานถึงสี่สิบเก้าวันที่เร็วทุกข์กับร่งจิตเนี่ยก็ความความทุกข์ก็ยังไม่หายความ ความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่หายก็ทรงเห็นว่าการทรมานร่างกายนี้ไม่ได้ดับความทุกข์ของใจได้พราะก็เลยทรงพิจารณาว่าต้นเหตุของความทุกข์มันน่าจะอยู่ในใจเพราะเวลาเข้าสมาธิเวลาใจนิ่งสงบใจหายทุกข์เพราะฉะนั้นใจไม่ได้มีการคิดปรุงแต่งไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เลยไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลยทรงพิจารณาว่าต้องใช้การภาวนาเนี่เป็นวิธีดับทุกข์ก็ทรงใช้การสมธาธภาวนาโดยต้องทําใจให้สงบทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดฟรุงแต่งอาคิดไปถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ทรงเห็นว่า พิจารณาไปพิจารณามาก็เห็นว่าที่ทุกข์เพราะว่าอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายแต่ก็อ้างความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ถ้าไม่อยากจะเกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ต้องไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลองไปเลยสองคนพบว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตา ย, ยาที่วิภาวะตันหาแล้วเพราะความอยากอยากอยากเสพกามกามาตันหาอยากใช้น้ำกายนี้แข็งแรงอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยเห็นว่ามันเกิดจากการมาตันหาภ า, า, าวะตันหาวิภาวะตันหาที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ หลังจากพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายหรือสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดนี้เป็นตายรักทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถให้ความสุขอย่างท้าวรได้เพราะจะต้องเสื่อมเวลาเสื่อมก็ไม่สามารถให้ความสุขได้ร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายก็ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้ <c oughs> ก็เลยส่งคนพบว่าอสิ่งที่ทําให้ใจนีิทุกก็คือความอยากและวิธีที่ทําทให้ทุกข์หายไปก็ต้องละความอยากและส่งพิจารณาว่าส่งใช้อะไรมารบความอยากก็ทรงพิจารณาว่าส่งใช้มัดที่มีองแปดมามา ร, รับความอยากก็เลย ส่งสอนวิธีดับทุกข์ด้วยมรรคที่มีองค์แปอเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสัากัปโปความดำริชอบสัมมากรรมโตามการกระทำชอบสัมมาวาจาการวาจาชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายโมความเปลี่ยนชอบสัมมาสติความรู้ลึกรู้ชอบและสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบ ส่งพิจารณานี่คือสิ่งที่พ่อองค์นิสสงปฏิบัติมาจึงทําให้มีความสามารถที่จะละตันหาทั้งหลายได้ก็เลยส่งสอนให้พระปัจจวัคคีย์จเจริญมักเพื่อที่จะมาละตันหาความอยากที่เป็นสัจธรรมข้อที่สองเพื่อจะดับความทุกข์ที่เป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งเมื่อละตันหาได้ ดับความทุกข์ใจที่ก็ปรากฏเป็นนิโรธการสิ้นสุดการหมดทุกทุกหมดไปจากใจก็ทรงทรงแสดงอริตสั์สีทุกสมุทัยนิโรธมาความทุกข์ใจที่เวลามีเจอความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากตัณหาความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากจะอยู่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางกายก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิจากการหาความอยากอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆทีนี้ถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องยอมรับความจริงว่าพิจนารณาดูร่างกายร่างกายก็รู้ว่ามันไม่เที่ยง มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนาาัตตาถ้าไปอยากมไม่มันแก่มันเจ็บมันตายก็ทุกข์ไปเปล่ squeeze, าๆเพราะมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดี่ถ้าไม่มีความอยากที่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะความทุกข์มันไม่อยู่ มันไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแ้วมันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการอยากจะเสพกามเสพรูปเสียงกิน่นแล้วก็ต้องมีร่างกายก็เลยไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายอยากให้อยู่ไปนานๆภานะวะทันหาก็อยากให้อยู่นานๆวิภาวะทันหาก็อยากไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บ วมีการมตัญหาเป็นพื้นฐานว่ามีความอยากจะเสพรูปเสียงกินง่นรสต่างๆพระองค์กเลยส่งคนพบทางสู่การหลุดพ้นก็คือมรรคแปดทีนี้หลังจากที่ทรงแสดงมรรคแปดเป็นครั้งแล้วต่อไปเวลาทรงแสดงมรรคบางทีพระองค์สมย่อมาเป็นสามเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็มาจากมรรคแปดศีลก็คือ องประกอบของศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวการกระทําชอบการพูดชอบแล้วการมีอาชีพชอบก็คือสัมมากรรมโตก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพูดผิดประเพณีไม่เดือมชราอยา่าเมาส่วนสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดแล้วส่วนสติเออ ศีลแล้วก็สมาธิสมาธิก็ประกอบด้วยสัมมาวายามโอความเพียรชอบสัมมาสติการลดมรูงชอบแล้วก็สัมมาสมาธิการตั้งมั่นการตั้งมั่นชอบคือตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในรูปรูปปฌานอรูปประฌานที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่จะเข้าสสมาธิได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้พาเข้าสัมมาสติ จะมีสัมมาสติได้ก็ต้องมีสัมมาวายาโมคือความเพียรเพียรที่จะริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีมีการเพียรเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆหรือให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเป็นการเจริญสัมมาสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งในเวลาทั้งสมาธิจิตก็จะสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา แลาวพอได้สมาธิก็ให้เป็นเจริญปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็มีองค์ประกอบอยู่สององค์ก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นรักเห็นตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นใจรักเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติถ้าปัญญา ให้เขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบงังคับได้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกขึ้นมา <c oughs> ทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ เ, เนี่ยคือมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เกิดจากความอยากการยั้ะความทุกข์ได้ก็ต้องหยุดความอยากให้หมดไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากเราไม่สามารถให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราบางอย่างเวลาได้อะไรมาดีๆเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆ มาจากเราไปแไม่มีอะไรที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาลังที่พระอานยโกนทะได้แปลวาจาไว้ว่าสิ่งใดที่มีอานเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องเห็นความจริงยอมรับความจริงทุกตารเกิดแล้วก็ต้องตายยอมรับก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ต่อต้านไม่มีความอยากให้มันไม่ตาย ใจก็จะไม่ถูกนี่คือสมาทิิสมาสังกปอ์ก็ต้องสอนใจให้คิดไปในทางทางความเป็นจริงคิดอยู่เรื่อยๆร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล้องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดถึงอนิจจังคิดถึงอนัตตาอยู่เรื่อยแล้วคิดถึงทุกข์ทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ถูก นี่ก็คือมรแปดที่ทรงแสดงเวลาท ร, ทรงสอนพวกนักบวชจะสอนสีสมาธิปัญญาหรือนักมรแปดแต่เวลามาแสดงคําสอนคารวะผู้ครองเหล่านี้ท่านทรงแสดงทานศีภาวนาแทนเพิ่มทานขึ้นมาศีลก็มีเหมือนกันแต่สีลอาจจะคนละระดับกันศีของนักบวชก็อย่างน้อยศีแปดขึ้นไป สปดนสองรยเจแล้วก็ภาวนานี่ก็เป็นการเจริญสมาธิและปัญญาภาวนามีสองระดับสมาถะ ภ, ภาวนาก็คือการทําใจให้สงบก็คือการทําสมาธิแล้วก็มีปัสฉนาภาวนาก็คือการทําใจให้ฉลาดให้เห็นให้เห็นสัธจธรรมความจรงิงเห็นอริยสัจสี่เห็นใตล้ลักอันนี้ก็เป็น เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกันเงนะินทองนายนี่มีสองระดับสักระดับสมาธิระดับปัญญาส่วนที่จําเป็นจะต้องเพิ่มทานขึ้นมาเพราะว่าคาววาผู้กนยังยึดติดกับเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์อยู่เวลามีความทุกข์บางทีก็ไปเที่ยวกันไปสถานบันเทิงไปดูภาพยนตร์ไปกินไปดื่มกันความทุกข์ใจก็จะหายไป คนที่ทํางานเครียดๆใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในต่างประเทศจะสังเกตอยู่เข้าบากันเลยต้องไปดื่มกนะันดื่มสุราระดับความทุกข์ใจก็ต้องใช้เงินซื้อซื้อสิ่งเหล่านี้มาดับความทุกข์ใจงั้นต้องอย่าใช้เงินทองมาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจโดยที่มันถูกทางวิธีที่จะใช้เงินทองดับความทุกข์ใจที่ถูกทางก็คือให้สละเงินทองไปอย่าใช้มันเอาไปทำบุญทำทานเสีย ถ้าไม่มีเงินทองแล้วก็จะได้ไม่ใช้เงินทองไปซื้อั้งสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์แต่สาหรับเวลาสอนนักบวชนี้นักบวชเขาสละเงินทองกันไปหมดแล้วที่ไปบวชกันนี้ไม่มีเงินทองติดตัวไปกันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องสอนให้ ท, ทาําทานเพราะทําหมดแล้วมีทรัพย์สมบัติเงินทองเท่าไหร่ก็สละให้ผู้อื่นไปหมดแล้วไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ พมันดับไม่ได้นอกจากดับไม่ได้แล้วมันกลายเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์เพราะจะต้องเครียดกับการหาเงินหาทองมาใช่อยู่เรื่อยๆและเวลาขาดเงินทองขาดมือก็จะเครียดจะทุกข์ก็เลยต้องสอนคารวะผู้คลองเรือว่าต้องสละเงินทองไปเอาไปทำบุญทำทานให้คนอื่นแล้วก็ยังเวลาทาบุญทาทานก็จะได้มีความสุขเกิดขึ้นมา ความสุขใจที่สามารถบรรเทาความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งและเพื่อที่จะได้ไปรักษาศีลต่อได้คนที่ทำบุญทำทานก็จะเป็นใจบุญใจกุศลจะไม่เบียดเบียนจะไม่ชอบเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ก็จะมีศีลโดยธรรมชาติขึ้นมาศีลห้าคือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่ปร ะ, ประพฤติผิดเผยน เพรการกระทำอันนี้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่นนี่คนที่ทําบุญคนที่ใจบุญใจกุศลก็จะไม่ชอบทําสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถรักษาสี่ห้าได้อย่างง่ายดายเมื่อรักษาสี่ห้าได้แล้วก็สามารถที่จะขยับไปรักษาสิบแปดต่อได้ในวันตอนเริ่มต้นก็อาจจะเอาวันวันหยุดทํางานวันหนึ่งมาใช้กับการภาวนา พราะการจะภาวนาอย่างที่ได้ได้ผลจริงๆต้องทําอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเราต้องหาวันที่เราว่างจากภารกิจการงา น, นต่างๆเพราะการไปภาวนาเจริญสตินั่งสมาธินี้เราต้องไม่ใช้ความคิดถ้าเรายังทํางานอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะมาเจริญสติหยุดความคิดได้ก็เลยมีวันพระขึ้นมาวันพระให้สัตยาญาติอยู่หยุดการทํางานหนึ่งวันแล้วก็ไปภาวนา ไปนักษาศีลแปไปเป็นอุบาสบุกุบาสิกาสําหรับผู้ที่ต้องการจะเจริญมรรคเพืดับความทุกข์ใจญ่แต่สําหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมตัวให้รักษาศีลทำบุญทานรักษาศีลห้าไปก่อนอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอาบายไม่ต้องมาทุกข์กับการกระทําบาปตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสุคติแต่ถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่าง ถาวร น, นี้ก็ต้องต้องไปฝึกภาวนาจิตตาภาวนาเราจะฝึกจิตตาภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาว่างแล้วก็ต้องมีศีลศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กนกายถ้าศีลห้าเนี่ยังสามารถไปหาความสุขจากตาหูรูปเสียงกลิ่นรสได้ จะกินเวลาไหนก็ได้จะกินกี่ครั้งก็ได้จะดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ไปได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวจะเสริมสวยความงามอะไรต่างๆก็ทําได้ินห้าไม่ห้าจะร่วมรับรองกับผู้กองของตนก็ทําได้ถ้าปล่อยให้ทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามาเจริญภาวนาถ้าอยากจะเจริญภาวนาเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิขึ้นมานี้ในรูปปัจฉานหรือรูปปัจฉานเนี่ จำเป็นท้าต้องมีการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่คนเดียวเปริกวิเวกอยู่ที่บ้านของถ้ามีอย่างคุณหมอสร้างบ้านไว้นะก็ลองหาวันหยุดสักวันหนึ่งไปเปริกวิเวกอยู่คนเดียวนะั้นถือสิ่งแปดฝึกสมาธิเดินโยงกลมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปเจริญปัญญาไปพังพลาไก่อนไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่รับรู้เรื่องโลกภายนอกตัดไปหมด ลูกเสียงกินน่นลดเพราะรัรู้แล้วมันจะทําให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบทำให้นั่งสมาธิสงบได้ยากก็ต้องดัดเรื่องราวต่างๆมาให้หมดเรื่องครอบครัวเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องธุรกิจการงานต่างๆอย่าให้มันเข้ามาในใจจะทําทให้ทําสมาธิได้ง่ายจิตจะไม่ฟุ้งซ่านสํารวมเขาเรียกสำรวมอินทรีย์สำรว ม, ม, ม, ม, มตามหูจมูกเล่นใจ คำนูไม่ไปสัมผักับนูนเสียงกินลดต่างๆแล้วก็จเจริญสติให้ระงับความคิดเพราะความคิดถ้าปล่อยคิดก็ทําให้ใจฟุ้งซ่านได้ก็จะสามารถที่จะอเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาได้อย่างน้อยวันหนึ่งเริ่มต้นการทาสักวันหนึ่งอาทิตย์ละวันก่อนถ้าทำได้ได้ผลดีได้ความสงบได้ความสบายใจ ความทุกเบาบางลงก็อาจจะอยากจะเพิ่มก็ จ, จะหาวันเพิ่มเป็นสองวันนที่ละสองวันถ้าดีก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็ด้วยการลดการงานลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆใ น, นที่สุดก็ไม่ทํางานเลยเอาเวลามาหยุดกับยยุดท้าสติเอาเวลามาหาสตะงยุดท้าสตางมาหาเอาเวลาม า, า, า, า, ม า, าสติดีกว่าคนจะลาดหาสติคนโง่าหาสตาง เพราะสตางคดับความทุกข์ไม่ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือสติเริ่มต้นที่สติเพรามีสติก็จะได้สมาธิแล้วก็สามารถใช้สติจเจริญปัญญาต่อได้ก็จะได้มากแปดครบบริบูรณ์ก็จะสามารถละตัณหาความอยากทําทให้ความทุกข์ในใจที่มีอยู่หมดไปได้หลุพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร นี่เรพูดสรุปโดยข้าวๆให้ฟังอพอจะจับภ<พ>าพได้ไหมได้ครับอาจารย์ยังมีมาพูดเลยอย่าง<ป>นี้ถ้าผมบอกว่าทางดับทุกข์ที่ตั้งทางคนทุกข์ที่ตั้งหัวข้อนี้ก็คือสรุปก็คือมรรคแปดแต่และคละว่าก็คือทานสีมแล้วก็สมถะและ ว, วิปัสสนาอย่างนี้เลยใ ช, ใช่ไหมครับใชภาวนาทานสีมภาวนา อามณ์นั่งดก็ไต่สิกขาสินสมาธิปัญญาก็มากไปอยากคารวะนี้มีเพิ่มต้องต้องสละเงินทองเข้าของเงินทองอย่าใช้เงินทองมาดับความทุกข์ใช้เงินทองไปทําบุญแล้วก็ช่วยดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งความทุกข์ที่อยากจะใช้เงินทองไปเที่ยวก็จะถูกตัดไปว่าทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินทองนี้มาทมําบุญแทน นั่นก็มาอยู่วัดแทนนี้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับได้ได้กำลังใจเยอะเลยครับอาจารย์ครับ <c oughs> เดี๋ยวขอโอกาส <c oughs> ถามจากคำถามเพื่อนเอนบ้างนะครับอาจารย์คุณวันดีครับพระอาจารย์สอนให้ปล่อยวางแต่บางครั้งแอบรู้สึกว่าเหมือนเก็บกดจะต้องแก้ไขอย่างไรดีครับกีเรตไม่ยอมให้เราปล่อยไงมันก็รู้สึกเก็บกดมันสู้กัน ใจหนึ่งก็อยากจะปล่อยแต่ใจหนึ่งก็กิเลสไม่ยอมให้ปล่อยมันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสตินั่งสมาธิให้มากจนสามารถมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะปล่อยวางได้เพราะกิเลสตอนนั้นจะถูกกําลังของอุอเบกขากดเอาไว้แล้วถ้าเราใช้ปัญญามาประกอบด้วยว่าสิ่งที่เรายึดติดมันเป็นของไม่เที่ยววันใดวันหนึ่งก็ต้องก็ต้องจากกันอยู่ดี จาการแบบยินยอมดีกว่าจะไม่ทุกข์ดีกว่าจ่ายโดยถูกบังคับให้จ่ากมันจะทุกข์คุณนทัทธสภักครับกล่าพระอาจารย์ครับผมได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนอนในห้องที่บ้านเลยนะครับผมนอนคนเดียวครับผมจะสอบถามว่าการนอนในห้องพระที่บ้านจะเหมาะสมไหมครับถ้านอนอยู่คนเดียวความจริง น, นอนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแะ ออืไม่มีเรื่องของกำหนดแต่ถ้าทางสองคมนี่เขาอาจจะมองว่าห้องพักนี้มีไว้สําหรับทับกิจกรรมทางศางสน า, าว่ายพระ ส, สวนบนตนัน่งสมาธิก็ควรจะแยกเป็นห้องๆไปแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นกฎกฎทางหลักของศาสนาพวกการศาสนานี่ท่านให้ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาแล้วนเะมื่อเหนื่อยพั ก, ก่อนอยากจะพักตรงไหนก็พักได้ตรงนั้น พระเจดงท่านไปอยู่ในป่าถ้าไม่มีห้องพระถ้าไม่มีห้องนอนท่านมีแค่อยู่อันหนึ่งท่านเองท่านก็ใช้เป็นที่นอนที่ไหว้พระสรวดมานั่งสมาธิทําทุกอย่างในแค่นะั้นนอกจากเดินจงกรมก็มีทางเดินจงกรมคุณอัชาลาครับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าที่เราทุกเพราะเราทํำบาปมามากมายเกือบข้อชีวิต กวาจะรู้สึกตัวก็อายุมากขึ้นแล้วหลังจากนี้จะทําอย่างไรดีเจ้าค้าให้ทุกนั้นน้อยลงทุกวันนี้ก็ทําบุญตลอดครับก็ทําบาปให้น้อยลงยุูิการกระทาบาปแล้วก็พยายามทําบุญให้มากๆรวมถึงการไปทํำภาวนาให้ได้ด้วยเพราะถ้าเราภาวนาหน้าเราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปได้เพราะเวลาใจสงบความความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมา ก็ต้องทําทานสิ่ภาวนาเนี่ยคุณมาริสาครับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการประชุมเพิงครูบาอาจารย์บางท่านทําในเวลากลางคืนเพราะว่าส่วนใหญ่จะทําในเวลากลางวันเจ้าขาขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายครับมันนี่ไม่มีกําหนดเวลาตายตัวส่วนใหญ่ก็จะนิยมทําช่วงบ่ายๆกันก็เป็นช่วงที่อาจจะคนที่มาเริ่ม ง, งานพร้อมกันสะดวกกัน ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องรับประทานอาหารกลางวันหรืออะไรรับประทานอาหารเช้าถ้าส่วนใหญ่พวกที่ไปใงานศพก็จะเป็นนักปฏิบตัติก็จะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเร mm hmm. ื่องกิจกรรมเรื่องการรับประทานอาหารก็จะได้ไม่มีปัญหามากขวางถ้ามาม า, มาเผาศพระว่างก่อนเที่ยงนี่เดี๋ยวก็เพื่อต้องมากักงวลกับเรื่องการที่จะมารับประทานอาหารกัน ถ้าตอนเช้าก็ต้องฉันเช้าอีกต้องกินข้าวเช้าอีกมันก็อาจจะไม่เหมาะส่วนให ญ, ญ่ก็จะนิยมทําตอนบ่ายกันครับคุณวันเพ็ญครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาที่ขาลูกดูเกิดดับจากปวดแล้วมาชาพอหายชาก็คันอดทนนั่งให้ครบชั่วโมงโดยที่ใจไม่ทุกข์คิดว่าเวลาปว่วยใกล้ตายเกิดเวทนารุมเร้าจะได้อดทนพร้อมตายเจ้าขากรากบอาจารย์เมตตาชี้แนะครับ ก็ทนได้ไม่ไปยุ่งกับเวทนาได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใจเราไม่ทุกข์กับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะคันก็ปล่อยมันคันไปแล้วก็ภาวนาของเราไปให้ใจเป็นอุเบกขาไปคุณมาริสาครับถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์แต่คนเราทําไมถึงถูกร้อยรัดด้วยขวักหนามของชีวิตทิ้งความทุกข์ได้ยากสักคะก็เพราะเราชอบไปหาความทุกข์กันเอง ด้วยความหนุ่งคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างพวกเราทุกคนคิดว่าโลกธรรมนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะ้ให้ความสุขกับเราคิดว่าราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยมมันเป็นของชั่วกราวมันของไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของมันนี่อาจจะทําให้เราทุกข์กันเวลาได้อะไรมาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่ มันก็ทําให้เรากังลวลทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เราก็ต้องอย่าไปหาสิ่งที่ทําให้เราทุกข์อย่าไปหารากยศเสริญอย่างที่บอกให้ไปหาความสงบแทนไปบวชคุณไปตองครับการที่ไปบริจาคเงินให้สถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่วัด เช้นสันเจ้าหรือเทวสถานถือว่าเป็นการทำบุญนอกเขตพระพิธศาสนาไหมครับก็ใช่แล่ว่ามันไม่อยู่ในเขตของมันไม่ได้อยู่ในเขตของศาสนาศาสนาก็ให้ทำบุญปัจจัยสีกับพระสงค์องค์เจ้านี่หรือทั้งถาวรและวัตถุที่จำเป็นนั้นสำคัญขึ้นมาคุณพัฒนานครับหนูได้ฟังและพยายามปล่อยวางเหมือนคำสอนและปฏิบัติตามรู้สึกดีจิตใจดีขึ้น แม้บางครั้งจะรู้สึกกลัวเวลาเจ็บป่วยขอคําชี้แนะด้วยค่ะจะทําอย่างไรจะไม่กลัวคะก็ต้องพยายามฝึกจิตให้สงบให้ให้มีอุเบกขาให้มากแล้วจิตมีความมีอุเบกขาแล้วความรักชังกลัวลงมันก็จะถูกอุเบกขากดเอาไว้แล้วถ้าเราใช้ปัญญาเห็นความเป็นจริงแล้วยอมรับความเป็นจริงได้เราก็จะไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ แก่เจิบ ต, ตายนี้ก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแ้วเราพิจารณาเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นความจิตจิตกับกายแยกออกจากกันเมื่อเห็นว่าจิตกับร่างกายเป็นคละส่วนกันจิตก็จะไม่กลัวกับอะไรกลัวกับเรื่องของความเจ็บป่วยหรือความตายของร่างกายคุณมาริษาครับถ้าอยากเป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบัน ต้องศรัทธาในตถาคตและรู้อริยสัจสี่และเจริญมรรคแปดใช่ไหมเจ้าคะเริ่มต้นต้องศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพอระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามาเจริญมรรคกันให้เราทําทานรักษาศีลภาวนากันแล้วก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามกํากลังของเราพอเราสามารถปฏิบัติได้เต็มเต็มเต็มกำลังของมรรคแล้วมรรคก็จะแสดงผลทําให้เรา ปล่อยวางร่างกายได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้คุณเปตองครับการไหวบรนพระบุรุษเทพเจ้าเทวดาเลือกว่ายไม่ได้ไหวมั่วๆแล้วไม่ได้ขอพร อ, อะไรทําแบบนี้จะขวางกั้นการเป็นพระโสดาบันไหมครับไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเคารพบุคคลที่เราสมควรที่จะเคารพเป็นมงคลอย่างอย่างหนึ่งในมงคลตระสุด บูชาบุคคลที่สงังก OL กับการบูชาเช่นบิดามารดาปุยญาติย า, า ย, ายผู้มีพระคุณทั้งหลายอันนี้ทําได้เป็นศาสนาถ้าไม่ห้ามที่ที่ให้ยึพดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนีหมายถึงคําสอนให้ยึดคําสอนของท่านถ้าคําสอนของไทยขัดกับหลักคําสอนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อย่าไปเชื่อท่านเองคุณพัชรวัตรครับ ลูกขอโอกาสกาบเรียนถามครับการที่เราพิจารณาในเรื่องธาตุทั้งสี่สามารถทําให้คนทุกข์ได้หรือไม่ครับก็ได้ในระดับของของร่างกายถ้าเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายความจริงก็เป็นเป็นธาตุดีๆนี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันแล้วทาให้เกิดเป็นอาการ32ผมขนเล็ดความหนังเล็นกัะดูกเป็นต้นทางนั้นธาตุทั้ง4ก็ต้องแยกตัวออกจากกัน ท่าทั้งสีแยกออกจากกันร่างกายนี้ก็จะย่อยสลายไปล่มสลายไปไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นมีแต่ท่าสี่มารวมตัวกันท่านเองแล้ ว, วันหนึ่งท่าสี่ก็ต้องแยกออกจากกันใจเป็นเพียงแต่ผู้มารับรู้มามาเชื่อมต่อด้วยท่านรู้ใจคือท่านรู้มาเชื่อมต่อด้วยกระแสของวิญญาณของท่านรู้เือนวิญญาณรับรู้เรียกว่าวิญญาณ ในขันเนี่ยก็ส่งกระแสมาเหมือนเสียบเอาเอาสายเอาสายมาเสียบปลั๊กในเพื่อเชื่อมต่อกับปลั๊กโชจะได้ได้ไฟฟ้าจากปลั๊กออกมาเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอเงี้ยใจไม่ได้อยู่ในร่างกายถ้ารู้ไม่ได้อยู่ในธาไม่ได้รวมอยู่กับธาตุสีในร่างกายธารู้เพียงแต่มาเชื่อมต่อด้วยการส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกิือกายเพื่อที่จะรับ รูปเสียงกินดสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกจิตใจถ้าเราแยกได้เข้าใจได้ว่าร่างกายคือธาตุสีใจคือธาตุรู้เวลาธาตุสีน่มสลายแยกตัวไปธาตุรู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ธาตุรู้ก็จะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเพก็ใจไม่ได้ใจไม่ได้เป็นธาตุไม่ได้เป็นธาตุทั้งสีของร่างกายแต่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่หา้า คุณพีโกครับเหตุ hey, ทำให้เกิดความอยากกับความไม่อยากคืออะไรครับคือความหลงเลยความไปหลงไปคิดว่าสิ่งนั้นดีก็อยากได้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็ไม่อยากได้แต่ความจริงนะ้ะมันมันเป็ น, เ ป, นเป็นความหลงของเราเองที่ไปไปชอบอันเองแล้วก็ไปอยากได้ถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่อยากได้ท่าน้ คุณปูเป้ครับพระอาจารย์คะเมือเอ่ออวายะหายไปหลายจุดมาอยู่ในกลุ่มคนพิการมีของแถมคืออุปกรณ์ระบายน้ำในสมองและสายลงท้องแต่ใจหนูสุขดีคะ่ะอยู่กับร่างกายที่เกิดสาภาวะแบบนี้ได้ความอยากหายไปหลายเรื่องเจ้าคะ่ะความฝันก็หายไปจากการฟังธรรมพระอาจารย์สิ่งนี้เข้าสู่เส้นทางคนทุกข์หนูคิดถูกไหมเจ้าคะ่ะถูกแล้วถูกแล้วถ้าตาดัดการลาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ คอยสังเกตดูว่าเรากำลังอยากอะไรแล้วพยายามละมันเสียสอนให้ใจยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ความเป็นจริงให้อยู่กับความเป็นจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นก็อย่าไปอยากคุณดำครับขอความเมตตาอธิบายคําว่าอาริยสัตว์สี่การวนรอบสามมีอาการสิบสองเข้าใจแบบง่ายๆด้วยครับอาจารย์ครับ อันนี้เราไม่ทราบนะเพียงแต่ให้รู้ว่าอาริยสัจสี่คืออะไรก็พอแต่เวลาแสดงธรรมบางครั้งพรุทธเจ้าก็ทรงแสดงอย่างละเอียดทีนี้เราก็ต้องต้องไปอ่านดูเราถึงจะตอนนี้จําไม่ได้นะ้ะแต่เคอยอ่านดูฉะนั้นเคยบอกว่าทุกต้องต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นทุกขสมุทัยก็ต้องละแล้วก็มรรคก็ต้องเจริญนิโรธก็ต้องทำให้แจ้ง อันนี้ก็เป็นหนึ่งรอบนะรอบที่สองก็คือได้ศึกษาแล้วได้ศึกษาข้อที่หนึ่งแล้วว่าเป็นอะไรเป็นทุกข์แล้วสมุดไทยที่ต้องให้ละก็ได้ละแล้วอันนี้ก็เป็นรอบที่สองอะไรของท่านเนี่ยท่านก็แสดงไปรายละเอียดมันก็อยู่ตรงโดยหลักก็คือให้เราเจริญมากเพื่อให้ละสมุดไทยให้ได้เมื่อละแล้ทุกข์ก็จะดับไป น, นิโรธก็จะเกิดขึ้นมา คุณมาริสาครับมีหลายคนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่นสอนคนอื่นเก่งมากแต่หนูคิดว่าควรจะสอนตัวเองก่อนเพราะสอนตัวเองสอนยากที่สุดอยากขอความคิดเห็นจากพระอ al าจารย์ครับก็ <Honestly, S 2> อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่ต้องสอนเขาหรือเปล่าถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นครูนี่มันก็มีหน้าที่ต้องสอนเขาก็สอนไปมีเป็นพ่อแม่ก็เรามีห น, น้าที่ต้องสอนลูกก็สอนไปแต่ถ้าเรา แต่กับคนที่เราไม่เกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่ด้วยเราก็ไม่ต้องไปสอนเขานอกจากว่าเขามาขอให้ขอคำปรึกษาให้เราช่วยสอนเขาเราก็สอนเขาไปด้วยความเมตตาเป็นการให้วิทยาทานไปแต่ไม่ใช่เป็นไปเจ้า ก, กี้เจ้าการเห็นคนนั้นทำนี้ก็ไปเจ้า ก, กี้เจาการเท่าอย่าทำอย่างนั้นทนอย่างนี้อะไอย่างเงี้ยไม่ควรจะทา จากป้าแดงครับถ้าเราป่วยหนักอาจาไม่รู้ตัวเราจะบันทึกฝากไว้กับบุตรหลานว่าจะไม่ใช้เครื่องมือแพทย์ยื้อชีวิตให้ตายไปโดยธรรมชาติจะเป็นบาปไหมครับอาจารย์ไม่บาปหรอกการไม่รักษาการปล่อยวางเป็นการปล่อยวางไม่ได้เป็นการไปฆ่าร่างกายไม่ได้เป็นการทําให้ร่างกายตายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปของมันโดยธรรมชาติของมันเองคุณว่านครับ ขอความเมตตาช่วยแนะนําวิธีการอยู่กับโลกกระทำแปดโดยไม่ทุกข์ด้วยครับก็ต้องรู้ว่ามันมันมจะแรแล้วก็ต้องมีเสื่อมเห็นมเช่นเป็นนายกเนี่ยมันจะจะแรงแล้วกี่ปีมันก็ต้องมีวันเสื่อมลงนี่ก็เห็นชัดๆเนี่ยจะเลยมาได้เก้าปีนะเก้าปีแล้วในที่สุดมันก็เสื่อมมันก็จบลงถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนรู้มันจะต้องจบมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันรู้ว่ามันจะต้องมันจะต้องจบ ก็เลยไม่มีความอยากจะให้มันไม่จบเพราะเห็นความจริงของมันต้องจบแต่ท่าเราบางคนนี่บางทีไม่ยอมเห็นความจริงของมันจะต้องจบคิดว่าจะสามารถเป็นนายกได้ตลอดชีวิตในบางประเทศเขามีเห็นไหม ม, ม, มีมีนายกที่เป็นมาได้เป็นหลายสิบปีเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาจะเป็นไปได้เรื่อยๆก็ได้แต่พอเกิดเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเขาต้องตกลงเขาต้องหมดไปเขาก็จะทุก แต่ถ้ารูปล่วงหน้ามาจะตั้งหมดก็จะไม่ทุกข์ฉะนั้นขอให้เราพิจารณาความเสื่อมของลาบยศสารเสรื่อมสุขด้วยคือมีการเจริญลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบไม่ช้าก็เร็วมีการเจริญยศก็ต้องมีการเสรื่อมยศไม่ช้าก็เร็วมีสารเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นก็ให้เสียจมันก็จะเจอความทุกข์ ก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เล ย, เลยว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนของโลกธรรมทั้งแปดนี้ของโลกธรรมทั้งสี่นี้มีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันเลยก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยินดียินร้ายกับมันอย่าไปพึ่งมันพูดง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านก็ยังสัมผัสกับโลกธรรมอยู่แต่ท่านไม่ทุกข์เพราะท่านไม่ไม่ท่าไม่อาศัยโลกธรรมเป็นเครื่องอาศัย เป็นเครื่องอยู่เครื่องให้ความสุขกับท่านท่านอาศัยความสงบของใจท่านอาศัยธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องให้ความสุขกับใจนั้นเวลาที่ท่านมาสัมผัสกับลาบยศเสริเสร่อท่านก็เฉยเฉยนะอย่างพระนท่านก็ได้บางทีทก็ได้รับยศรับตําแหน่งท่านก็รับไปท่านกหนึ่งแต่ท่านก็ไม่ได้ไปยินดีร้ยายกับมันคุณรัตพันธ์ครับ อาจารย์คะถ้าเราใกล้ตายเราควรทําจิตอย่างไรคะก็ทําจิตให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ดีที่สุดก็ต้องฝึกปล่อยวางก่อนที่เราจะตายถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนมาถึงเวลาตายปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่เป็นไม่รู้จะปล่อยอย่างไรคุณเปตองครับจุดยากันยุงกับฉีดยากันยุงบาบไหมครับ ถ้าไม่ไปทไม่ถ้าเราไม่ได้ไปฉีดใส่ตัวมันโดยตรงแล้วทําให้มันตายก็ไม่บาปถ้าเราฉีดโดยที่มันมีกลิ่นแล้วเวลามันบินมามันได้ได้ดมกลิ่นมันก็จะหนีไปอย่างนี้ก็ไม่บาปก็ไม่บาปจุดยากันยุงก็มันพอมันได้กิ่นยากันยุงมันก็หนีไปไม่ได้ทําให้มันตายถ้าทําให้มันตายนั่นก็จะถือว่าบาป คุณบุกผาครับอยู่คนเดียวมีความคิดวิตกกังวลกลัวตอนเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลจะมีวิธีคิดอย่างไรให้สบายใจขึ้นเจ้าคะ่ะก็ต้องหาช่วยตัวเองให้ได้น้องทําให้ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ก็พร้อมที่จะอดตายพร้อมจะอยู่แบบไม่มีใครดูแลคุณเพนครับโกหกผู้อื่นให้เขาสบายใจและเรา เราและคนข้างเคียงสบายใจบาปไหมครับเราโกหกแล้วเราไปติดคุกนี้เราจะชอบเราจะเอาไ้มทําให้เขาสบายใจแล้วเราเราไปโกหกแล้วเราเป็นคนไปติดคุกแทนนี่ที่เขาเขาเขาเป็นคนฆ่าแต่เราไปโกหกเขาว่าเราเป็นคนฆ่าแทนแล้วยินดีไปติดคุกนี้เราจะทํามเห็นไหมบาปก็เหมือนกับการไปติดคุกนี่โกหกแล้วให้เขาสบายใจแต่ตัวเราต้องไปติดคุกเราจะจะยินดีหรือไม่ แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเราก็เลยยังเราก็เลยยังไม่กลัวบาปกันเพราะบาปบางทีมันจะต้องเราให้เราตายไปมันถึงจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือการไปเป็นไปตกนรกนี้คุณโจครับขอความเมตตาช่วยขยายความเพิ่มจากเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับมีคนถามว่านอกเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเขาไม่กล้าจเจริญปัญญาเพราะกลัวว่าจะเป็นการฟุ้งซ่านในธรรม พระอาจารย์ตอบว่าทําได้ผมฟังแล้วไม่เข้าใจผมปฏิบัติมานานหลายปีแล้วถ้าไม่ใช่เวลานั่งสมาธิผมเองก็ไม่ค่อยกล้าใช้ปัญญาสองจิพราะจาําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าถึงใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะสมาธิยังไม่ลึกพอถึงระดับฌานสี่ขอความเมตตาอธิบายครับก็หมายถึงว่าถ้าเราสามารถพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิ แห้เราพิจารณาอาการ32ของร่างกายแล้วเราก็พิจารณาไปดูผมขนเล็บฟันหนังไม้เอ็นกระดูกแตถ้าใจเราเริ่มกันมีความอมีความมีอารมณ์เกิดมีความอารมณ์ทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกิดจากการไปเห็นภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายอันนี้ก็แสดงว่าเรายัางไม่พร้อมเราก็ต้องหยุดก่อนเราต้องพิจารณาโดยที่ใจของเราหน่้นเฉยได้ พิจารณาความตายบางคนให้พิจารณานึกถึงความตายแล้วก็ใจก็หดหูใจก็เศร้าหมองถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาเนี่ยเราก็เราก็ต้องดูตัวเราว่าเราเราพร้อมที่จะพิจารณาทางปัญญาได้หรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่ารุ่งไปพิจารณาฝึกสมาธิไปก่อนให้ใจมีความนิ่งมีอุเบกขาให้มากขึ้นไปก่อนจนสามารถก้าที่จะดูภาพสุภาได้ การดูภาพที่ที่เขาผ่าศพออกมาได้ดูซากศพได้อะไรถ้ายังใจยังไม่แข็งพอก็แสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปทางปัญญาคุณจุไรรัตครับกลับเรียนถามเจ้าค่ะพระพุทธ ร, รูปในห้องพระควรตั้งพระพักไว้ทางทิศใ ด, ดเจ้าค่ะล้หล่ะ ของทางนั้นมันมันไม่มีทิศทางจะทิศตังทิศไหนก็ได้แต่ทางสมมุติเขาก็บอกให้หันหน้าไปทางประเทศอินเดีย oh, อินเดียก็อินเดียก็อยู่ทางประเทศทิศตะวันตกของประเทศไทยก็ต้องหันหน้าไปทางทางประเทศอินเดียเพราะมุตเจ้าประทับอยู่ที่อินเดียเลอเวลาเรากาาลาวพระเราก็ต้องกล่าวกลาวไปทางทิศทิศตะวันตกข้ามบ้าเราก็ต้องตั้งพระทธรูป อันหลังให้กับทิศตะวันตกเพื่อเวลาที่เรากลาบพระพุทธรูปเราก็จะได้กลาบกลับพระพุทธรูปแล้วเราก็กลับไปที่ทางทิศตะวันตกเพราะว่าประเทศอินดีอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยครับแล้วถ้าอยากจะให้มันละเอยียกันนั้นก็ต้องดูว่าเฉียงเหนือเฉียงใต้ด้วยครดูที่นี่ตรงไหนเอที่ตัดสิรูอยู่ตรงไหนนะครับอา ห, หาพิกัดมาแล้วก็ ก็ตรวจดูพิกัดว่ากับที่บ้านเราอยู่กับที่พวกพระเจ้าอยู่นั่นอยู่พิกัดตรงไหนคุณพัฒระครับหากว่าผมขายทุกอย่างที่มีอยู่แล้วใช้นี่หมดแล้วทิ้งทุกอย่างไปบวชในป่าแบบทั้งชีวิตแบบทิ้งชีวิตแบบนี้ผมคิดถูกไหมครับผมอายุห้สิบปีแล้วเบื่อหน่ายทุกเหลือเกิน คือการจะบวชนั้นมันไม่ใช่ว่านิมิตรดีอยากจะไปบวชแล้วไปอยู่ในป่าได้ว่าก่อนก่อนที่จะเป็นพระไา้ก็เป็นเหมือนทหารเนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยให้เข้าสู่สนามรบได้นี่เขาต้องไปไปฝึกก่อนใช่ไหมไปฝึกวิ่งไปฝึกยิงปืนไปฝึกอะไรต่างๆเป็นฐานฐานฝึกหม่ก่อนอันนี้ก็เหมือนการการจะมาเป็นพระเนี่ยเขาก็ต้องให้ฝึกห้าปีก่อนให้อยู่ภายใต้าการควบคุมดูแลของ พระอาจารย์หรือพอระอภิชายะผู้ผู้ที่บวชให้เราให้ท่านสอนวิชายุทธต่างๆของการเป็นนักบวชก่อนให้รู้ว่าสินของอียิปต์ก็มีอะไรมากให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระควรทํำและไม่ควรทาอะไรต่างๆนี้ต้องต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าปีขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถที่จะไปอยู่ตามลําพังได้ในป่าคนเดียวถ้าบวชแล้วไม่ได้มีการศึกษามันก็จะไปอยู่แบบ แบบคาราวานุ่งเหลืองนุ่งผมเหลืองเพราะไม่มีใครสอนวิธีที่อยู่แบบถูกต้องของพระว่าต้องอยู่อย่างไร เ, เวลาปัสสวะ่าจะยืนปัสสวะก็ได้ถ้าไม่มีใครสอนเวลากินเคี้ยวอะไรก็อาจจะเดินไปเคี้ยวไปกินไปก็ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมารยาทของพระพระเวลาจะกบจะฉันต้นั่งให้เรียบร้อยเวลาขบฉันก็ไม่ให้ส่งเสียงดังไม่คุยกันอะไรธรรมนิยม เวลาจะปัสสวะก็ต้องมีการนั่งคุนั่งนั่งนั่งหลงนั่งยงยองไม่ให้ยืนปั ส, สวะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอบรมจากพระอาจารย์หรือพระ อ, อุปชยายาก่อนครับถ้าได้รัฝึกฝนนั้นพอผ่านห้าพรรษาแล้วพระอาจารย์ท่านอนุอนุญาตให้ไปอยู่ในป่าได้ถึงตามลำพางได้ถึงจะไปถ้าไดนเห็นว่าอยู่ห้าพรรษาแล้วยังยังไม่ผ่านท่านก็ยังไม่ปล่อย พ่เป็นเด็กควรจะไปทำอะไรที่เสื่อมเสียต่อาศาสนาครับสมัยที่หลวงตาอยู่นี่มีแบบมีปล่อยหรือบอกให้ไปเลยไหมครับอาจารย์ครั บ, ราารบแบบอยู่จนหลวงตาแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์อ๋อมี ม, มีก็บางทีบางทีท่านไหนว่ามาอยู่แล้วท่านเห็นว่าเรียบร้อยดีทุกอย่างพร้อมแล้วท่านก็ไปพ่าบางทีท่านต้องระบายมีช่วงที่เราไปอยู่นะั่นแล้วออกมาก่อนแต่ได้ขา่าวว่าหลังจากที่ออกมาได้สักสองสองสองปีหลวงตาก็เริ่ม บอกให้ผ้าที่อยู่มานานแล้วให้เริ่มก็ขยับตัวออกไปได้นะเพื่อจะได้เปิดที่ให้นักเรียนใหม่เข้ามาอยู่ต่อครับแต่ถ้าท่านเห็นว่ายังไม่พร้อมนั้นก็ยังไม่ปล่อยให้ไปครับเห็นว่าตัวยังอการประพฤติยังไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์นั้นก็ไม่ไม่ปล่อยคุณวัฒนาครับ ขอโอกาสครับในการสละทรัพย์นี้ถ้าเราใช้วิธีแบบเดียวกับการปล่อยวางร่างกายจะเป็นผลเสด็จได้หรือไม่ครับตัวผมสละให้ภรรยาหมดแล้วครับสบายเลยครับน้อมกาบอาจารย์ครับสละทรับรู้สล ะ, ะไละทรัพย์ใช่ไหมครับผมกาไม่รู้อยาจะสละแบบไหนก็ก็ขอให้เราสละเราไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์อันนั้นแล้วก็แล้วกันไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วโอนเงินโอ น, โอนเงินทั้งหมดในบัญชีให้เขาไปเลย ไม่มีเงนินและอยู่ในบัญชีของเราจนะ้ะคุณบุ๊คตี้ครับควรจะปฏิบัติสมาธิอย่างไรดีต่อต่อดีเจ้าค้าดิฉันนั่งสมาธิทุกคืนขณะนั่งสมาธิล่าสุดพบว่าลมหายใจหายไปพยายามหาลมแต่หาไม่เจอแต่ยังไม่ถอนสมาธินั่งไปจนครบเวลาหนึ่งชั่วโมงครับเวลาลมหายไปอย่าไปหาลมให้ให้อยู่กับที่ที่เราดูลมไป เพียงแต่ให้รู้ว่าตอนนี้ลมเราจับไม่ได้ครับพอให้รู้เฉยๆไปการไปควานหาลมนี้เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาทําให้จิตต้องคิดค้นหามันก็เลยทําให้จิตไม่เข้าสมาธิได้วิธีที่ให้เข้าสมาธิได้คืออยู่เฉยๆไปรู้เฉยๆไปเมื่อตอนนี้ลมละเอียดจะไม่สามารถมองเห็นได้แล้วให้รู้เฉยๆไปทั้งเองรู้อยู่ที่เดิมที่เราดูลมแล้วนะแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตมันก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ ถ้าเปความหาลมจ็บมันก็จะมันก็จะหยาบถอนออกมาเพราะมันเริ่มมีความคิดปรุงแต่งที่จะค้นหาลมก็อยู่ตรงไห น, นมันก็จะไม่เข้าสมาธิคุณอัฏฐากรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์การพ้นทุกข์กับการไม่กลับมาเกิดอีกแตกต่างหรือเหมือนกันไหมครับคือถ้าพ้นทุกข์แบบท้าววอก็คือต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น ถ้ า, ถาตายได้ยังกลับมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์เดี่วเจอความทุกข์ของการแก่การเจ็บการตายอยู่การขาดภาคจากกันอยู่ทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าอยากจะพ้นทุกข์แบบไม่มีทุกข์เลยก็ต้องไม่มาเกิดถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมาเจอความทุกข์ของร่างกายอยู่คุณธรรมประการครับ ปกติผมนั่งสมาธิถ้านั่งนานๆเกินครึ่งชั่วโมงไปจะเกิดอาการเท้าไม่มีความรู้สึกใดๆแต่ยังขยับได้สักพักเมื่อออกจากสมาธิก็จะเป็นปกติลักษณะนี้เท้าเราเป็นปกติไหมครับให้เป็นปกติเวลาเรานบมันขัดสมาเนื้องลงมันไม่ไหลเวียนสะดวกมันก็จะทําให้เกิดอาการชาขึ้นมาได้แต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะเราขยับพอเราเลิกนั่งสมาธิแล้วเรายืดแข้งยืดขาออกไปแล้วเดี๋ยวเนื้องลงมก็จะไหลเวียนเป็นปกติอยู่ดี หรือบางทีนั่งไปนานๆมันก็จะหายชายย้าเองก็มีโดยที่เราไม่ต้องขยับร่างกายคุณแม็กครับพยายามถือสีลแปดให้ได้หนึ่งถึงสองวันต่อสัปดาห์อยู่กับบ้านที่ต่างประเทศไม่มีวัดจะหลุดเรื่องอาหารค่ะทานมื้อเดียวได้แต่จะเกินเวลาเที่ยงไปแล้วต้องปรับอย่างไรครับถ้ามันถ้าเห็นจำเป็นที่จะต้องการเวลาเที่ยงก็ถ้าไม่เกินเปนานก็ไม่เป็นปัญหาเลย ตามได้ที่ปริมาณของอาหารที่เรารับประทานอย่างเท่าเดิมอยู่การรับประทานอาหารนี้เพื่อให้เราไม่รับประทานอาหารมากเกินไปก็เลยต้องมีเวลากำหนดไว้เท่านั้นเองเช่นเที่ยงวันแต่ถ้าเราไม่สามารถกำหนดเวลาเที่ยงวันได้เราจะเลื่อนเป็นบ่ายโมงก็ได้สองโมงก็ได้แล้วแต่เราก็รับประทานอาหารเหมือนกับตอนที่เราถือเที่ยงวั น, เ ป, นเป็นเวลาหยุด เรื่องของเวลานี้เราขยับขยายได้ตามตามความเหมาะสมของของสภาพของเราแต่ถ้าเราไปอยู่กับสํานักเขาทําเวลานานเราก็ต้องทําตามเขาคุณพุทธิพรครับตั้งใจจะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเป็นไม้จึงมีปลวกกัดกินจึงได้ทําลายปลวกอย่างนี้ถือว่าศีลขาดไหมคะถ้าทาให้ทำลายทาลายปลวกก็ต้องเกิว่า ก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งคุณนัทธาครับเราเห็นคนใกล้ชิดเป็นทุก์จากการเสพอบายต่างๆพยายามช่วยเหลือดึงออกมาพาทำบุญต่างๆแต่ท่านไม่ชอบเห็นท่านทุกเราก็สงสารแต่พอจะปล่อยวางคิดว่าช่างเถอะก็มีความทุกข์ว่าดูดายไม่ช่วยเหลือไม่พยายามพอรู้สึกผิดไม่รู้จะวางใจอย่างไรดีครับก็ดูที่เหตุผลดูที่ความจริงว่า เราก็อยากจะช่วยเขาแล้วเราพยายามช่วยเขาแล้วแต่เขาไม่อยอมให้เราช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเรายังดื้ดันอยากจะช่วยเขาเราก็ทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณองุ่นเปรี้ยวครับมีคนมาขอคำแนะนำการนั่งสมาธิแต่ไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้เพราะเหมือนพูดคนละภาษาอธิบายจนเหนื่อยเขาก็ไม่เข้าใจจนรู้สึกท้อ เราจะพูดให้ง่ายที่สุดให้เขาเข้าใจได้อย่างไรเจ้าคะ่ะก็พูดตามความจริงไม่ั่งสมาธิมันยากเป็นตรงไหนก็ให้นั่งหลับตานั่งขัดสมานั่งหลับตาแล้วก็ดูลงมาใจที่ปลายจมูกอันนี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปพูดมากไปกว่านี้คุณประชาครับถ้าคิดว่าชาตินี้คงยังไม่ได้พานถ้าจะตายควรจะตั้งเป้าหมายให้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อสั่งสมบูรณ์ปฏิบัติเจริญภาวนาต่อ ดีกว่าไปเกิดบนสวรรค์ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าจะจะเรามาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะไม่เป็นไปสวรรค์ก็ได้ไม่ทําบุญแต่เราจะมั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าเราไม่ทําบุญเลยนอกแต่เกิดเราเผลอไปทําบาปนิดเดียวบาปนิดเดียวมันก็จะดึงเราไปอบายได้ทันทีแต่ถ้าเราทําบุญไว้เยอะๆเราอาจจะเฝ้าเผลอทําบาปบ้างบาปที่มันมีน้อย ก, กว่าบุญมันก็ยังดึงเราไปอบายไม่ได้ เนการทําบุญนี่ก็มีไม่ใช่ว่าจะทําำไม่ใช่ว่าจะส่งเราไปสวรรค์อย่างเดียวเป็นการกันไม่ให้เราไปไปอบายด้วยถ้าเกิดเวลาที่เราเกิดการทั้งเผอที่ไปทําบาปขึ้นมาแต่ถ้าเรามีบุญคอยคอยต้านเอาไว้ก่อนบาปก็ยังไม่สามารถส่งผลได้แต่ถ้าเราไม่ทําบุญเลยเพอทําบาปข้อเดียวป๊อมันก็ดึงเราไปอบายได้ทันทีคุณนิชาครับ แม่รักลูกไม่เท่ากันบางครั้งดิฉันทำใจได้แต่บางครั้งรับไม่ได้จริงๆเหมือนมันอยู่ในจิตสำนึกควรวางฉันอย่างไรให้มีความสุขเพราะบาปการที่เราทำร่วมกันมาถึงมาเกิดเป็นแม่ลูกและพี่ชายครับ อ, อ๋อบาะคนเราไม่เหมือนกันไงเรากับพี่ชายนี้อาจจะมีลักษณะคุณลักษณสมบัติต่างกันแลแม่ก็อาจจะชอบคุณสมบัติของของของพี่ชายเราไม่หรออาจจะไม่ชอบคุณสมบัติของเราก็ได้ แล้วเราก็ต้องยอมแล้วบางทีแม่เราก็ยังเป็นคนที่มีกิเลสอยู่ยังมีความรักมีความชังอยู่เห็นบางทีถ้าแม่ก็าเห็นสิ่งที่เขาชังอยู่ในตัวเราเขาก็จะไม่ชอบเราแต่ถ้าแม่ก็เห็นสิ่งที่เขาละเขาชอบอยู่ในตัวของพี่ชายเขาก็จะไม่ชอบพี่ชายท่านนั้นเองก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่สิ่งที่เราไม่เราควรที่จะคิดถึงก็คือพระคุณของท่านที่ท่านให้กําเนิดเรามาก็พอแล้ว อย่าไปหวังอะไจะดักท่านมากไปกว่า น, นั้นอย่าไปวังให้ท่านต้องมารักเราเลยในแต่ท่านเลี้ยงเราในท้องแล้วให้เราคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูเรามาได้จนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วถึงแม้ท่านจะรักเราน้อยกว่ารักพี่ชายก็อย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องกิเลสของแม่ไปก็แล้วกันต้องแยกแยะส่วนนี้ไปอย่าไปถือสาท่านคุณอภิชาติครับ การสร้างพระพุทธรูปถวายวัดได้บุญหรือไม่ได้บุญประเภทไหนสมัยพระพุทธเจ้ามีสร้างพระพุทธรูปไหมครับก็เป็นการสร้างทฐานวรวัตถุให้กับศาสนาก็เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นวัตถุทานเพื่อคนที่เขามาอยากจะกราบพระจะได้มีพระให้เขากราบนั่นเองแต่สมัยพระพุทธการที่พระเจ้าไม่ทรงเน้เนเรื่องการสร้างพระพุทธรูปทรงเน้นการสร้างพระอริยบุคคลมากกว่า คุณจุลาครับการถูกหวยไม่ถูกหวยเกี่ยวกับบุญบาปด้วยไหมครับมันก็อาจจะมีส่วนบ้างคือถ้าเราไปทำบุญมาเยอะแล้วเทวเวลาที่บุญมันจะแสดงผลมันอาจจะใช้การถูกหวยนี่เป็นช่องทางออกมาก็ได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุดันเดียวที่จะทําให้เราถูกหวยแล้วไม่ถูกหวย คนที่ไม่ทําบุญมาเลยนะเดีกก็อาจจะถูกหวยได้ว่าอาจจะเป็นจังหวะของเขาที่เขาจะซื้อเลขตัวนี้แล้วเลขตัวนี้มันออกมาพอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องเขามันมีหลายเหตุปัจจัยด้วยกันอาจารย์ครับผมไม่เคยถูกหวยเลยครับ <laughs> อันนก็ไม่ได้มาคราบหมอไม่ได้ทําบุญมาก่อนเห็ <laughs> นะมันมันอาจจะมีช่องทางอื่นไปให้คุณหมอก็ได้อะไรไม่จำเป็นจะต้องมาช่องทางนี้ก็ได้อาันจะทําให้คุณหมอมี กิจการขายมีลูกคนไข้ยเยอะคนไข้ามามาหาหคุณหมอรักษาเยอะก็ได้คุณ t รีออสครับลูกชายมีปัญหาทางสมองพัฒนาการลาา่าช้ายังพูดไม่รู้เรื่องแต่พอเข้าใจเวลาที่พูดคุยด้วยบ้างพาไปใส่บาทโดยให้น้องเป็นคนใส่และคุณพ่อช่วยจับมือช่วยแบบนี้น้องจะได้บุญจากการใส่บาทไหมครับ เพื่อบุญที่เกิดจากการให้นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของของของเขาแต่เขาจะได้จากการที่ได้เรียนรู้วิธีทําบุญใจมากเพื่อเวลาต่อไปเวลาที่เขามีเงินทองของเขาเองแล้วก็อยากจะทําบุญเขาก็จะได้รู้จักวิธีทําบุญได้ถ้าไม่เคยสอนก็เลยเวลาเขา่อขึ้นบุงทีเขาก็จะไม่รู้จักวิธีทําบุญเขาก็จะไม่ได้ทําบุญดังั้นตอนที่ีป็นการสอนเขาเป็นฝึกเป็นการฝึกสอนอะไรก็รู้วิจัย รู้จักวิธีก็ทำบุญไปก่อนเป็นขั้นศึกษาแต่ยังไม่ได้เป็นการขั้นกับทำที่แทจ้จริงจะได้บุญจริงๆต้องเป็นของของเขาเองและเป็นความคิดของเขาเองที่ก็อยากจะทำบุญคุณอินวอนครับเรียถามพระอาจารย์เกี่ยวกับความหมายของการบรรลุธรรมหนึ่งเตวิชโชสองสุ ข, ขวิปัสสโกสามปฏิสัมภิทัปัโตครับ ก, การบรรลุเป็นผ้าหลังนี่มีอยู่สี่สีลักษณะคือเป็นผ้าหลังโดยการกําจัดกิเลสตัณหาไม่หมดประยักษใจนี่ก็เป็นแบบผ้าหลานแบบพื้นฐานไม่มีความสามารถพิเศษบางท่านนอกจากกําจัดกิเลสได้ธรรมะจะให้ฐานเบื้องสุดได้ก็ยังมีบรรลุอภิญญาเช่นนั้นลึกชาติได้อันนี้ก็เป็นพวกหนึ่งอีกพวกนึงก็เป็นพวกที่ นอกจากที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอภญญาอย่างอื่นเช่นมีตาทิพูทิพมีอะไรอย่างนี้ก็อีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่บรรลุครับบรรลุเป็นพาาระอรหันต์แล้วก็มีความสามารถพิเศษคือสามารถสั่งสอนคนอื่นได้มีความเก่งการในการแสดงธรรมก็มีอยู่สี่สี่ลักษณะด้วยกั น, นพระพระพระอรหันต์นี่มีอยู่ สี่ครับสี่อย่างด้วยกันกาวิปัสสโกโอะไรเนี้ยมีอยู่สี่นี่สดงภาษาคุณปาริชาติครับกราบพระอาจารย์ครับหนูตั้งใจทำงานและทำงานได้ดีปีนี้เจ้านายเลยบอกว่าอยากส่งไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อให้รางวัลแต่หนูปฏิเสธไปค่ะพอตั้งแต่มาปฏิบัติและฟังพระอาจารย์หนูไม่อยากไปไหนเลยหนูปฏิเสธไปแบบนี้จะผิดต่อสังคมมากไหมคะ ก็มันก็อาจจะผิดผิดเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ได้ทําเหมือนเขาแต่มันมันไม่ได้เป็นบาปกรารผิดแบบนี้ก็คือการผิดผิดประเพณีของสังคมสังคมก็ชอบไปเที่ยวกันเราชอบไปวัดกันมันก็อาจจะผิดตรงนี้ท่านเองแต่มไม่ใช่เป็นบาปเป็นเป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดแต่ ว, ว่าเราเป็นแกะดําก็ได้ในสังคมของแกะขาวล้วก็เป็นแกะดําตัวเดียว คุณเบกกี้ครับกายหยาบกับกายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะกายหยาบก็คือร่างกายที่เราเห็นอยู่เนี่ยด้วยตาหนุ่มของเราเนี่ยคือร่างกายที่ทําด้วยธาตุสีดินน้ํำลมไฟก็เรียกว่ากายหยาบกายละียก็คือกายทิศเนี่ยกายทิศก็คือใจที่เป็นดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายนี่เรียกว่ากายทิศกายกายละเอียดกายหยาบก็คือกายร่างกายที่ทําด้วยธาตุสีดินน้ําลมไฟ เรามีสองกายนรามีกายใยา่คือร่างกายแล้วมีกายละเอียดก็คือกายทิพย์ก็คือใจพูดผู้คิดนี่คุณกิติศักดิ์ครับถ้าตัวเราคือรูปกับนามที่เรียกว่าขันห้าคือธาตุสี่และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทียบแล้วคือกายกับจิตนั่นหมายถึงว่าจิตเราคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอย่างนั้นจิตตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกคือจิตนี้นอกจากมีเวทนาส Buenos ัญญาสังขารเมญญาแล้วยังยังมีจิตอีกตัวตัวตัวจิตนี่แหละเป็นตัวที่ตัวรู้รู้นี่มีมีในในตัวรู้นี่มีเวทนาสัญญาสังขารเมญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้มนัมนมันอยู่ในตายรักเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์แต่ตัวจิตเองนี้ไม่ได้อยู่ในภายภายใต้ก่อดขอ ง, งตายักเพราะมันเป็นธาตุรู้ ธาตุรู้นี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของธาตุทั้งหกนี้มันไม่อยู่ภายใต้กฎของของไทยแล้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสื่อมไม่มีการเจริญเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นธาตุน้ำเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นธาตุลมเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุรู้ธาตุอวกาศธาตุมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงหกธาตุนี้ไม่อยู่ภายใต้กฎของไทยแล้ว แต่สิ่งที่อยู่ในในอยู่ในอยู่ในในในธาตุรนี้อยู่ภายใต้กฎคนตายละวิทาสัญญาสังขารวิญญาณคุณคาริษฐาครับตอนที่โยมนั่งสมาธิแล้วเจริญปัญญาไม่ให้เราระยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็หายทุกข์แต่พอเจอปัญหาจริงๆต่อหน้าปัญญาที่ได้ให้รู้เท่าทันต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถดึงปัญญามาใช้ไม่ทัน อย่างนี้ต้องแก้ยังไงครับหรือว่าต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ครับก็ต้องฝึกปัญญาด้วยฝึกสติต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดอยู่ดีๆมีคนมาตกหน้าเราเราจะทำอย่างไรเราต้องซ้อมไว้ก่อนกินไว้ก่อนถ้าเราซ้อมไว้ก่อนพอคนมาตบหน้าเราก็จะได้เฉยๆได้จะตบก็ตบไปเว่าเป็นเป็นกรรมของเราไปแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนมันพอเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ซ้อมไว้มันก็ทําใจไม่ได้ เราพยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเร า, เร า, เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนีถ้าเราเตรียมตัวไว้นะเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์มันก็จะสามารถผ่านได้เหมือนกับ ก, การทําข้อสอบต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดก็ถามนี้เราจะตอบอย่างไรถ้าเขาถามเรื่องนี้เราจะตอบอย่างไรเราก็ต้องเตรียมกเตรียมหาคําตอบไว้ให้ได้ก่อนพอเราเข้าห้องสอบแล้วพอเขาถามคําถามที่เราเตรียมไว้ปั๊บเราก็ตอบได้ ถ้าไม่เตรียมไว้เลยพเาเขาถามเราก็ตอบไม่ได้ก็เหมือนกันเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่คิดเตรียมหน้าไปก่อนว่าเราไม่เกิดขึ้นเราอาจจะทําใจไม่ได้คุณหงครับขอความเมตตาชี้แนะครับชวนคนในบ้านมาทําบุญฟังธรรมแต่ไม่มีใครสนใจเลยมีคําชี้แนะวิธีแนะนําบ้างไหมครับไม่มีหรอกถ้า ถ้าชวนนั้วก็ไม่สนใจก็จ บ, ค, บคุณประชาครับในวันครบรอบวันเกิดแก่ละปีถ้าเป็นชาวพุทธแท้เข้าใจเรื่องธรรมะเราควรจะทำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ครับก็ก็เอาใช้วันนั้นไปไ ป, ไปปฏิบัติธรรมสักหนึ่งวันเลยไปลาไปหาที่สงบไปอยู่คนเดียวไปเปียกวิเวกไปถือศีลแปดไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาว ตามลำพังของเราเป็นการปฏิบัติพิเศษปฏิบัติครบศูนย์เลยทำทานใส่บาตรรื้อวิาจารย์งนให้กับวัดเรือที่ไหนก็ได้แล้วก็รักษาศีลแปดแล้วก็จเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาไปคุณสุเทพครับการสวดมนต์จเป็นต้องสวดต่อหน้าพระพุทธรูปไหมคะหรือว่าสวดในใจที่ไหนก็ได้ครับไม่จาเป็นหรอกสวด ท, ที่ไหนก็ได้ คุณพีโก้ครับเรากําจัดความพอใจหรือไม่พอใจได้อย่างไรครับก็ต้องทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาเราเห็นว่าสิ่งที่พอใจก็จะทําถ้าเราไ ป, ไปพอใจเราก็จะอยากได้ก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่พอใจเราก็อยากจะกําจัดมันไม่อยากจะหนีจากมันไปมันก็จะทําให้เราทุกข์งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องอย่าไปพอใจหรือไม่พอใจต้องเราต้องเฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไป ใช่แต่ว่าเห็นไปคุณอิทธิพลครับรู้เวลาตายผิดไหมครับเมื่อทราจะผิดตรงไหนถ้ารู้อยาจะรู้รู้ได้จริงรู้บ้างนั่นก็อีเรื่องหนึ่งถ้ารู้ได้ก็ดีถ้ารู้ว่าวันที่จะตายเราก็มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้มันให้หมดไปเลยครับท่านเดิมครับบอกว่าโดนมาคับให้เป็นฆาตกรผิดกฎข้อไหนบ้างครับ คือถ้าเราไปทํำบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ผิดกฎที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งถ้าถูกบังคับแล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมทํำบาปเราก็ไม่ผิดมันอยู่ที่เราคุณแพทครับการฆ่าสัตว์เพื่อปกป้องผู้อื่นจากอันตรายที่จะเกิดจากสัตว์นั้นทางที่ไม่อยากทําบาปหนักไหมครับมันก็มีบาปที่หนักมีเบาขึ้นอยู่กับว่า ซึ่งบุคคลหร้อสัตว์ที่เราฆ่านั้นมีคุณค่ามากน้อยถ้ามีคุณค่ามากบาปก็จะหนักถ้ามีคุณค่าน้อยบาปก็จะเบาเช่นบาปหนักที่สุดคืออันตรอันิยกรรมก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์นี่ถือว่าเป็นบาปหนักทําให้สงแตกแยกทําให้พระพุทธเจ้าห่อเรือดอันนี้ถือว่าเป็นบาปหนัก เ, เพราบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มคีคุณประโยชน์มาก ต, ต่อโลกต่อทั้งคนคุณปินเพชรครับหนูขออนุญาตสอบถามเจ้าค่ะที่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์เจ้าท่านสอนว่าทุกข์กับความเพียรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเพียรละความอยากนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการฝืนความอยาก ความทุกนี้เกิดจากอะไรเจ้าค้าและทุกนี้เป็นทุก์ที่คุ้มค่าดังที่ครูบาอาจารย์พระอริยสงศ์สอนไว้ใช่ไหมเจ้าค้าใช่เงก็เพราะว่าความอยากนี่มันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลวลาเราอยากจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เที่ยวเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาดขึ้นมาที่เราต้องการที่จะทําลายความอยากนี้เราก็ต้องไม่ไปที่ทำตามความอยากช่วงที่ไม่ไปทำตามความอยากช่วงที่ความอยากมันยัง ยังออกฤทธิ์อยู่นี้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราสู้กับมันไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเดี๋ยวความอยากนี้มันก็จะหมดกำลังไปพราะหมดกำลังใจหมดกาลังไปแล้วทุกที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปอย่างท้าวนจะไม่กลับมามากวนใจเราอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีความอยากจะไปทำสิ่งนั้นอีกต่อไป คุณเปตองครับลมหายใจละเอียดกับลมหายใจหยาบคืออะไรครับเอ่อเวลาหยาบมันก็มันก็จะรู้สึกมันแรงไงเวลาเวลละเอียดมันก็รู้สึกมันเบาลมลมแรงกับลมเบาเนี่ยลมลมแรงก็จะลมหยาบเวลาลมมันเบาแผ่วเบาลงไปมันก็จะมันก็จะละเอียด คุณไลท์ครับกรณีที่สามารถวิปัสสนาเข้าถึงสภาวะนิพพานได้อยู่เนืองๆแล้วสามารถฝึกฌานสมาบัติอภินยาหกเพื่อช่วยในการทำกุศลให้ละเอียดคุณภาพในงานดีขึ้นตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับเามื่อถึงนิพานแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทำต่ อ, อแล้วทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คุณยุมยิ้มครับคุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดแตกท่านเวียนหัวตลอดเวลาทุกอยากหายมากๆแต่ไม่หายคุณแม่สวดมนต์ก่อนนอนอย่างเดียวทุกคืนแต่ไม่ได้นั่งสมาธิค่ะจะช่วยให้พ้นทุก์เรื่องร่างกายเจ็บป่วยได้ไหมคะก็ได้ในระดับหนึ่งคือเวลาสวดมนต์ใจก็จะละลดความอยากให้ให้น้อยลงไปได้แต่ก็ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องให้จิตสงบ เป็นสมาธิขึ้นมาแต่มันก็เป็นเต็มร้อยแบบชั่วคราวถ้าอยากให้มันเต็มร้อยแบบไม่ทุกข์อะไรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าต้องยอมรับว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้จะไปอยากให้มันหายมันไม่หายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้ายอมอยู่กับมันได้ใจก็จะหายทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นคุณลิลินลดาครับ บ้านลูกอยู่ใกล้บ้านเช่าซึ่งคนเช่าจะไม่ค่อยมีเวลาทิ้งขยะเลยทำให้มีหนูเข้ามาบริเวณบ้านลูกใช้กรงดักขาเพราะไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ลูกเอาหนูไปปล่อยในสวนปาล์มชาวบ้านแบบนี้ลูกบาปไหมคะก็ต้องถามชาวบ้านก่อนว่าเขาเข า, เขายินดีไหมแล้วก็ไม่ยินดีถ้าเขายินดีก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาแ ล, แล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเราไปปล่อยแล้วมันไปสร้างความเสียหายให้กับชาว เจ้าของที่เขาเราก็ไม่คนทําแล้วก็คนไปหาที่ปล่อยที่ไม่มีเจ้าของอยงนดีก่าที่เป็นป่าที่เป็นซัที่สาธารณะคุณเจียมจิตครับบทสวดมนบทใดที่เราต้องสวดทุกวันต้องยึดบทไหนที่ต้องสวดเป็นประจําคะถ้าได้อิจิปสโสบทเดียวได้ไหมคะได้ได้บทเดียวก็ได้แล้วคําเดียวก็ได้พุทโธคําเดียวก็ได้เพราะมันปัญหาก็คือขอให้สวดมากๆสวดนานๆ อย่สวดแค่จบเดียวแล้วก็หยุดอย่สวดเพื่อเพื่อรีบให้มันเพื่อให้มันจบเลาวจะได้หยุดความจริงต้องสวดไปเรื่อยจมการใจเราจันทร์ิในใจก็เราจะสงบส่วนบนไหนก็ได้คุณภัยบูรณ์ครับพระอาจารย์ครับผมขอคนอุบายในการรักษาศีลและปฏิบัติในศีลห้าให้มันคงและเลิอกอบายามุกได้อย่างถาวรต้องทําอะไรบ้างครับก็ต้องมีฮีเลโอตบะมีความละอาย เวลาทําบาปนี่เราเป็นเป็นคนที่ไม่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนน่ารังเกียจเราต้องอายตัวเราเองว่าเรานี่เป็นคนที่น่ารังเกียจถ้าเราทําบาปแล้วให้มีโอดตับะกลัวกลัวผลของบาปคือทําบาปแล้วตายไปเราต้องไปเกิดในบาปถ้าเรามีคีรีโอดตับะมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําบาปได้ อาจารย์คุณวันวิสาบอกกำลังเดินทางไปถือศีลที่วัดยานครับจากปิษณนโลก้าวันจะได้ไปฟังพระอาจารย์เทศบรนเสาราทิบด้วยนะคะสาธุเจ้าครับทุคุณปู่เป้ ค, ครับพระอาจารย์มองส า, ม, งสามีเป็นศพไม่ได้หลงร่างกายทั้งตัวเองและสามีความอยากทางการมารมหายไปอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนเพื่อนเลยต้องนอนแยกอัตโนมัติไม่ได้เตรียมตัวว่าจะทาแต่ใจให้ทาแบบนี้เจ้าค่ะ เช่นเปลี่ยนการ น, นอนเตียงมานอนพื้นเป็นเองอัตโนมัติหนูยังคิดตามไม่ทันแต่ก่อนใจปรุงแต่งให้ฝันเห็นผีและเทวดาปัจจุบันหายหมดเลยความฝันหายเหมือนจิตสันโดดความกลัวผีเลยหายไปเจ้าขาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางพลนทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งแต่ยังไม่พ้นทุกข์ทั้งหมดนะครับพ้นทุกข์ในระดับของร่างกายเกิดเรื่องของกลางมันก็จะหมดไป คุณเข็มจีราครับขอความเมตตาเจ้าค่ะถ้าไม่เจอทุกก็จะไม่มีทางรู้จักกับความสุขเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ทราบนะถ้าไม่เจองทกุก็จะไม่จะไม่มีทางรู้จักความสุขมันมันไม่เกี่ยวกันนะเรื่องของทุก็เรื่องของทุกเรื่อ ง, ขอ ง, ข, องของสุขมันก็เรื่องของสุขคุณสิทธิชัยครับการบวชเรียนปริยัติกับการบวชวัดป่าเพื่อเน้นปฏิบัติ ควรเริ่มแบบไหนดีครับผมละความอยากต่างๆใช้สติปัญญานีพิจารณาไตายักเบื่อทางโลกอยากคนทุกข์แล้วครับถ้าเราบวชนี่เราต้องไ ป, ไปบวชอยู่กับคูบาอาจารย์แล้วท่านจะสอนปริยาตให้กับเราแต่ปริยาตของท่านก็เป็นการเทศเป็นการอบรมพูดไม่ใช่เป็นการเรียนแบบเรียนตำราท่านก็จะสอนให้เราฝึกสมาธิฝึกนั่งเดินจงกรมอะไรทำรนอนี้ก็เป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปริยัาแล้ว ทำมวัดป่าวัดป่าจะไม่ไปเรียนนักหลักสูตรนักทำตีโทเอะอะไรทําเรานี้จะไม่เรียนแบบนั้นจะไม่เรียนหนังสือเปิดหนังสือเปิดตำรานํ้มาจดมาจำอันนี้ท่านจะไม่สอนแบบนั้นท่านจะสอนแบบ ท, ที่เรามานั่งคุยกันอย่างนี้สามารถอยากจะเดินจงกรมเดินยังไงอยากจะนั่งสมาธินั่งอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรท่านม่จะสอนไปอันนี้ก็เป็นปริญญาแล้วพอท่านสอนแล้วเราก็นําไปปฏิบัติควบคู่กันไปเลย คุณงามครับลูกทําบุญอุทิศบุญให้องค์พระเจ้าตากสินและองค์ท่านต่างๆนี่ลูกทําถูกไหมครับก็อุทิศได้แต่ท่านจะรับได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของท่านนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเที่ยวไปเรื่อยครับทําไมครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นรวมทั้งพระอาจารย์ผู้ตรงกันว่าโชคดีมหาศาลแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบเจอพระพุทธศาสนาครับเพราะว่าถ้าเรา มันเกิดในยุคที่มีพระวจนะศาสนาแต่ไม่ได้เป็นบรรุษย์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นมาเกิดเป็นสุนัขเนี่ยเนี่ยเรามีสุนัขอยู่ในวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประโยชน์มากจากศาสนานอกจากได้ที่ปลอดภัยได้ที่อยู่อาศัยมีอาหารกินแต่เขาจะไม่ได้ความรู้ทางด้านทางด้านจิตใจเพื่อให้เขาเอามาใช้ในการดับดับทุกข์ในใจของเขา ต้องมีทั้งสองอย่างต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาพบกับพระพุทธศาสนาล้วถึงจะสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ได้อย่างเต็มที่เราสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติทาให้เหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หมดเส้นไปถึงถือว่าเป็นโชคมหาศาลอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาตรงกับการที่ปรากฏขึ้นของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ คุณเอ็มย่าครับชอบที่โมโหมีวิธีลดอย่างไรบ้างครับก็อย่าเอาใจตัวเองมากเป็นไปไเอาใจคนอื่นบ้างถ้าเราจะเอาใจใจตัวเองเราก็จะโมโหวเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจเราอย่าไปอยากให้คนอื่นเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นถ้าหวังแล้วเวลาไม่ได้ผิดหวังก็จะโกรธ คุณจงค น, นี้ครับขอเรียนถามครับขนมผลไม้อาหารที่ไหว้ติจูเอียแล้วนํา ม, มาใส่บาตพระทําได้ไหมครับผิดไหมเจ้าคะได้ไม่ผิดตรงไหนหรอกเพียงแต่เขาไม่นิยมกันเท่านั้นเขคิดว่าไปไหว้เจ้าแล้วไม่ควรที่จะมาใส่บาตรพระอีกทีหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็มันก็เป็นเป็นอาหารผลมันก็เป็นของดีอยู่ไม่เสียอยู่ใช่ไหมอย่าไปเอาของที่มันเสียแล้วก็แล้วกัน คุณลพิดาครับกาบเรียนพระอาจารย์เหตุปัจจัยอันใดที่ส่งผลให้มนุษย์มีระดับสติปัญญาความเข้าใจในความหมายของชีวิตและกฎแห่งกรรมแตกต่างกันเจ้าคะก็อยู่ที่การได้สัมผัสรับรู้ได้ยินได้ฟังคนที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มากก็จะได้ความรู้ได้สติปัญญามากคนที่ได้เรียนรู้น้อยมันก็ได้สติปัญญาน้อยเหมือนคนที่ไปโรงเรียนกับคนที่ไม่ไปโรงเรียนอี่ยคุณหมอที่ไปเรียนจบเป็นหมอเนี่ย คุณหมอก็ได้ปัญญาวิธีรู้จักวิธีรักษาโรคโรภายไล้เจ็บต่างๆคนที่ไม่ได้เรียนอย่างคุณหมอก็ไม่มีสติปัญญาระดับของคุณหมอกได้นั่นอยู่ที่การเรียนรู้ว่ามีโอกาสได้เรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ท่านได้เรียนรู้มากก็จะได้ได้สติปัญญามากอาจารย์ครับแล้วอย่างเราเผยแผ่วิทยาทานอยู่เรื่อยๆนี่มีมีประโยชน์ที่จะทําให้เรามีสติปัญญามากขึ้นในอนาคตไหมครับอาจารย์มัน การให้ทําแสดงว่ามันมมมััมันนนไม่น่าจะให้เรามีสติปัญญามากขึ้นเพราะ ม, มันของที่เรามีอยู่แล้วเราให้ไปนี่เป็นของที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราอยากจะได้มากขึน้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมคุณแจนมาครับกลับเรียนถามค่ะถ้าพระพุทธรูปที่เราบูชาแตกหัก หาที่นําท่านไปไว้ไม่ได้มีคนแนะนําว่าขอขมาท่านแล้วขอผ้าขาวแล้วทุบให้เป็นธาตุดินแล้วนําไปฝากไว้กับพระแม่คงคาแบบนี้ทาได้ไหมคะบาปไหมคะได้เอาไปฝังดินเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะความจริงไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นอะไรเป็นสมมติเราสมมุติกันขึ้นมามันเป็นเป็นเป็นดินเป็นก้อนเป็นธาตุอย่าง คุณฝึกสติครับจะฝึกจิตให้เข้มแข็งเราต้องฝึกสติสมาธิหรือปัญญาครับการทั้งสองทั้ง3มอย่างนี่ยนะฝึกสติก็จะได้สมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาจิตก็จะเข้มแข็งในข้อนี้ก็คือฝึกสติกับฝึกปัญญาเพราะการฝึกสติก็เท่ากับการได้สมาธิแล้วมันได้สมาธิแล้วก็ฝึกคิดทางปัญญา ถ้าเข้มทันปัญญาใจก็จะฉลาดจะรู้ทันก็จะไม่หลงก็จะไม่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆอาจารย์รตอนนี้คําถามหมดแล้วครับอาจารย์ครับ mm hmm. จะตอบเพิ่มส่งคำถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมถามคําถามที่มีคนเคยฝากถามมานิดนึงครับอาจารย์มีอมีผู้ฝากถามบอกว่าในสำหรับทางพ้นทุก์สําหรับค า, ารว่าเนี่ยครับถ้าจะทําให้เป็นรูปประทามพอจะทําให้พ้นทุก จากคาราวาสได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ก็คือถ้าอยากจะเป็นอยากจะพ้นทุกข์อย่างยางนี้ยางเป็นคาราวาสอยู่ก็คืออย่างน้อยเราต้องไม่ทำงานแล้วเช่นเราเป็นเป็นคนที่เกษียณอายุแล้วเกษียณการทำงานแล้วมีเวลาว่างอ่ะเราก็สามารถปฏิบัติทำได้ทั้งวันแล้วก็ เงินที่เราไม่อยู่สมมติว่าถ้ามีมีมีไม่มากไม่ไม่มากพอที่จะเอาไปใช้กับการทําบุญทำทานก็ไม่ต้องทําทานเงินนี้เก็บไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยเสียของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บวชเราก็ยังต้องเลี้ยงดูตัวเราเองแต่ถ้าเราไปบวชอยู่กับวัดวัดก็จะดูแลเรื่องปัจจัยเสียให้กับเราได้เห็นถ้าเรายังไม่ได้บวชแต่เราเป็นคารวะ แล้วเ ร, เราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องอยู่แบบนั้งบวญก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครแล้วก็มีปฏิบัติมีเวลาปฏิบัติท่านจะตื่นจนหลับนีก็มีลูกศิษย์บางคนเนี่ยที่เขาเป็นหมอเขาก็ลาออกจากการเป็นหมอแล้วเขาก็อยู่คนโดของเขาแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคอนโดบางทีก็เปลี่ยนที่เข้าไปอยู่ที่วัดบ้างสลับกันไ ป, ไปเปลี่ยนบรรยากาศไป แต่เขาไม่ทํางานทําการแล้เขาทําแต่เจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาไปถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คุณธรรมะครับบอกลูกชายเก้าขวบฝากถามว่าถ้ามีศีลและสมาธิจะมีปัญญาตามมาจริงไหมครับไม่จริงครับปัญญาก็เป็นเรื่องของปัญญาไม่เกี่ยว ศีลกับสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแต่ศีลสมาธิจะเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้คนไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้จะคิดทางปัญญาได้ยากกว่าเพราะจะคิดทําบาปเี่ยคนที่ไม่มีศีลก็คิดจะทําบาปจะดื่มจ ส, สุรายางมาอะไทำนอง น, น, นี้โอกาสที่จะมานั่งขึ้นให้เกิดปัญญาให้บรรลุญาณสัสิทธิ์ตายรักนี่ย่อมเป็นไปได้ยากกว่า าก่อนที่มีศีลแล้วมีสมาธิคุณนร ม, มนครับกาเบียนถามค่ะว่าเราฝากสตางค์เพื่อนไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เดือดร้อนแต่คนที่รับฝากเอาสตางค์ไปใช้ก่อนถือว่าผิดศีลไหมครับผิดเขาก็จะเป็นเ ป, นเปนรตจากพิสมพรครับ การเรียนทางโลกเพื่อใช้ความรู้ทำงานเลี้ยงชีพแต่การเรียนทางธรรมจะทำให้เราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ท, ทั้งธรรมวิญญาณสอนให้เรารู้มจากวิธีดับความทุกข์คุณกฎชกรครับเวลาทำสวนปลูกผักต้องขุดดินแล้วโดนไส้เดือนแต่เราไม่เจตนาบาปมากไหมคะ คือเจตนานไม่เจตนานี่เป็นหน้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์อยู่ถ้าเรารู้ว่ามันมีอยู่ในนั้นแล้วเราขุดดินอยู่ว่าถึงแม้เราจะบอกไม่เจตนานมันก็เจตนานอยู่ดีเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเจอใส้เดือนอย่างนี้ก็ถือว่ามันก็บาปนอกจากว่าเราขุดอย่างระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกระเทือนไม่ทําให้มันตา ย, ยานี่ก็แสดงว่าเรามีความมีความระมัดระวังเรามีสติ แต่ก็อ จ, จะยากเพราะมันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นเหมือนกันเพนั้นกับพระนี่เขาห้ามเลยห้ามพระให้ขุดดินเพราะการขุดดินนี่อาจจะไปขุดเจอตัวไส้เดือนหรือตัวอะไรตัวสัตว์ขึ้นมาทำให้มันตายได้มันจะว่าไม่เจตนามันก็ไม่ถูกเพราะเรารู้อยู่ว่ามันจะต้องเจอมันจะต้องทําให้มันตายถ้าเราขุดดินเข้าไป คุณยุ้มยิ้มครับการเขียนชื่อลูกหรือพ่อแม่ญาติคนเป็นเวลาเราทำบุญเขาจะได้ส่วนบุญกุศลนี้ไหมครับไม่ได้หรอกการทาบุญนี่้วคนเป็นต้องทำเองที่ทาที่เราส่งให้กับคนตายแลาะคนตายก็คนตายก็ทํทำเองไม่ได้อะไต้องส่งบุญให้เขาคุณสาร่าครับ การให้อภัยบุคคลที่เคยทำร้ายเราซึ่งเรียกว่าคนพาลได้เลยแล้วยังมีพูดคุยกับเขาอยู่หวังดีกับเขาอยากให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองแต่มีคนเตือนว่าอย่าไปคบกับไปคุยเลยถ้าเขายังเป็นคนพาลอยู่ยังทำตัวดีไม่ได้เลิกคบเลยจะดีใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเราไม่จาเป็นจะต้องคบกับสมาคม ข, ของเขาก็อย่าไปคบกับเขาดีกว่า ถ้าครบก็เราต้องระวังระวังอย่าให้เขาดึงเราไปในทางที่เข า, เขาทําที่เขาไม่ดีไปทั้งนี้แต่การมีความเมตตาต่อศัพท์ภาษทั้งหลายก็ยังต้องต้องมีอยู่คือเราก็ต้องมีความเมตตากับเขาอยู่เแต่ว่าเราอย่าไปใกล้ชิดสนิทสนมจนกระทั่งให้เขาดึงเราไปในทางที่ไม่ดีตามเขาไป ที่สมครรามให้ใคายที่ผมถามเมื่อกี้ครับอาจารย์การเป็นเพศคารวะแต่มีใจ ร, รักการปฏิบัติตัวแบบพระจะสามารถกระทําได้และให้ผลได้อย่างไรบ้างครับง่ายาเหมือนกันนี่ยการจะเป็นพระและเป็นโยนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าจะบรรลุธรรมหรือไม่แต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างหากถ้าเราเป็นคารวะแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็บรรลุธรรมได้ <Okay. S 2> คุณอาทิตย์ยาครับ การทําบุญในวันพระมีความแตกต่างจากวันอื่นๆอย่างไรบ้างเจ้าคะคือวันพระนี่ก็มีไว้ทําเราให้เรามาทําบุญแบบเต็มร้อยเข้าใจไหมหมายถึงว่าน อ, นอกจากการทําบุญทําทานแล้วต้องมารักษาสินสินแปดด้วยสิแล้วก็มาภาวนาด้วยอย่างเงี้ยเขาถึงมีวันพระขึ้นมาให้มาทําบุญให้ครบสูตรทําทานแล้วก็รักษาศินแปแล้วก็ภาวนา ทั้งวันนั้งคืนส่วนทําบุญด้วยการใส่บาทหรือบริจาคทรัพย์นี้ทําวันไหนก็เท่ากันวันพระแล้วไม่วันพระมันก็ได้บุญเท่ากันถ้าปริมาณการทําบุญเท่ากันถ้าเราทำบุญร้อยบาทเราทาบุญวันพระกับวันไม่ใช่วันพระก็ได้บุญเท่ากัน นัทมนครับพระตามวัดบางแห่งเน้นการสร้างวัตถุบูชาต่างๆเชิญชวนคนศรัทธาทำบุญบางครั้งเราทำแบบไม่เต็มใจคาถามจบแค่นี้ครับก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้ศึกษาว่าธรรมคำสอนในไม่รู้หน้าที่หน้าที่ที่แท้จริงของพระว่าให้ทำอะไรท่านก็นเลยมาตามตามธรรมเนียมตามที่มีผู้ที่ปฏิบัติมาทำตามเขาไป ก็สร้างบุตรก็สร้างตามเข้าไปเห็นก็สร้างบุตก็สร้างให็นเขาทำเดีก็สร้างไปนี่มงบอกถึงว่าไม่ได้มาศึกษาการทมคําำำสอนของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในบรรลวนหน้าที่ของพระที่แท้จริงคือการปฏิบัติศีลสมาธิ ป, ปัญญาคุณอภิษฎครับเคยปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งนั่งสมาธิและไม่เสียงกระซิบวันนี้คือสถานที่อันเป็นทิพย์ของตัวเองหมายความว่าอย่างไรคะ ก็ไม่ต้องหมายความอะไรแค่รูปวังไว้เฉยๆฟังหูไว้หูก็แล้วกันคุณว น, นาครับเวลามีข่าวไฟป่าจะมีภาพขึ้นมาเห็นสัตว์ทุกทรมานและตายสล ด, ดสังเวชทุกครั้งสิ่งที่เกิดจากจิตหรือการปรุงแต่งขึ้นมาคะแต่ไม่มีความรู้สึกเสียใจแต่เห็นการตายคะ่ะก็ถ้าเรารู้สึกสล ด, ดสังเวชก็เพราะว่าภาพที่เราเห็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสล ด, ดสังเวชความตายมันก็ ทำให้เรามีความรู้สึกสลดสัาเวชก็เป็นธรรมดาคุณจงกลนีครับเวลาซาวข้าวแล้วจะมีตัวหม่อตายลอยขึ้นมาบาปไหมครับหม้อที่มันเป็นเมียนิ ญ, ญานก็บาปไหมนะมีไหมถ้ามีก็บาปหม <c oughs> คุณวิลาวันครับ พระอาจารย์คะหนูอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อไฟไหม้ทำให้เรามีจิตมีแต่ความกลัวคะ่ะเราควรทําจิตอย่างไรให้เกิดความกลัวน้อยครับก็ต้องยอมยอมให้ไฟมันไหม้ไปถ้าเรายอมแล้วเราก็จะหายกลัวคุณสลงมหนครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้ปัญญาครับอาจารย์ก็เราได้ความรู้เราก็ได้ปัญญาถ้าเรารู้ว่า ตอนตอนนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้แฟนเราซื่อสัตย์กับเราไม่ไม่ทิ้งเราแต่เราก็ไม่มั่นใจเราก็เลยทุกข์อันนี้ก mm ็แสดงว่าเรามีปัญญาแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้แฟนของเราซื่อสัตย์กับเราแต่เราไม่มั่นใจว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเรารู้เปล่ามันก็เลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะหายทุกข์ก็คือเราต้องอยุดไปอยากให้เขาซื่อสัตย์กับเรา เพาเราไมเา่เราไม่มั่นใจว่าเขาจะเขาจะซื่อสัต ก, กับเราหรือไม่เขาอาจจะไม่ซื่อสัร์กับเราก็ได้เราก็ยอมรับความจริงอันนี้ถ้าเรายอมรับความจริงกันนี้ได้เราก็จะหายทุกอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ปัญญาคุณคริออสครับจะพอมนวิธีไหนที่จะช่วยให้น้องที่มีปัญหาทางสมองสามารถทําบุญได้บ้างคะหรือต้องรอให้เขารู้เรื่องกว่านี้เพียงอย่างเดียวก็ถึงจะทําบุญได้ครับใช่มันก็เป็นเรื่องที่ ต้องให้เขามีสติสัมปชัญญะให้เขารู้เรื่องรู้ราวก่อนคุณเที่ยวไปเรื่อยครับเท่าที่อ่านประวัติครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะเกิดในตระกูลชาวนาแบบนี้จะเป็นปัจจัยให้บวชง่ายกว่าลูกเศรษฐีใช่ไหมครับใช่เพราะเวลาเป็นลูกเศรษฐีมันมีความสุขแล้วมันก็ะยะึติดกับความสุขนั้น ก็ไม่อยากจะไปบวชกันเพราะบวชแล้วมันทุกข์มันมียู่แบบโดยาขาดแคลนอยู่แบบออแแบบไม่สมสมบูรณ์เหมือนคนที่มีมีทรัพย์มีเงินมากมากอาจารย์คำถามสุดท้ายครับคุณจันมาครับบางครั้งเราฟังธรรมมาแล้วนําไปบอกเล่าให้แม่ฟังทําได้ไหมคะถือว่าทําเกินหน้าที่ของตัวเองไหมคะก็อยู่ที่ว่าแม่เขาอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าแม่เขาถ้าแม่เขาถามว่าวันนี้ไปฟังเทศทําธรรมมามีอะไรบ้างเราก็เล่าได้ ถ้าอยู่ดีๆท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องการฟังหรือไม่ได้ขอฟังก็ไม่ควรที่จะไปะย่าตี่ยี่ไทยกับท่นานถนอดา จ, จะรับขายก็ได้อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีคนฟังธรรมเยอะเลยครับจากใน Facebook ปดร้อยสี่สิบเก้าคนใน y o u t u ห e ร้อยเจ็สิบสี่คนในขับเฮาส์สิบคนครับมีคนร่วมฟังธรรมทั้งหมดหนึ่งพันห้า้อยสาสิบาคนครับอาจารย์ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมและหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการทำธรรมในครั้งนี้การแสดงธรรมวันนี้การสุนาทาธรรมกันคาดคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอฟ้าทุ ก็คิดว่าพอสมควรเ ก, กเวลาก็ขอลาท่านผู้ชมเพื่ฟังนะคุณหมอไวเพียงทรั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ข้องันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจอริญพรกับขอบพระคูณพระอาจารย์ค่ะ